กรมกราบสงบอริสุทธิ์เจ้าคุณวีระยุทธ์วีระยุธทธ์โหเลิศรงเมตตาควรค่านโมเอกอักรรสังโฆวัดไทยลุ่มพิดีกราบแล้วลืมใจยิ่งนายสนทนาแสงสว่างปัญญาเกิดมาทันทีคมคำทำมัก เอวาฒะาไมตรีอกอ้อมอารีเมทีสีปรา สางวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชสมบูรณ์งดงามอารามสะอาดโอรานพุทธศาสตร์แดนพุทธพังพิดนสามสิบวิ่านงานท่านเจ้าคุณคลองนำโยมขึ้นล่องกินเดียไทยก่อนปรับชีวิตจินเอ้ยไม่ยอกย้อนนาโย วัดไทยพุทธขยากรา้นนิบัติเจ้าคุณกุณเลิศยอดทรงประเส ร, ริฐเลิศกลรุนาสิท์สมเด็จอาจปราศ า, ศ า, ศาสนานามพระธรรมมหาวีรานุวัตรหลวงพ่อท่านกลับเมืองไทยอีกครั้งชื่อเสียงโด่งดัง ในหมู่สังฆราชเคลือนยศเป็นชั้นที่รัะบัตรนามนานเป็นชัดพระสุมเมธาทิบดียาวคุณวิระยุทธ์สานงานหลวงพอ่อจึงได้เติมต่อ ปณิธานโมลีสร้างคนสามว้ยให้ฝึกอินทรีปาร่านุ่มพี่นี้ไว้ต้นคนเรารู้พัดธนาเจรจาสร้างสันเป็นวัยขยานตั้งมันขัดกลา้าอกิเลตันหาโกรธทางโง้พลังปึกแต่ไว้ ย, ยาว ชาได้เด็กดีไว้กลางเจอจรัดโคทิ่สัตว์ตรัสรู้หนักเอาเบาสู้งานตามนาทีรู้เหตุรู้คนขัญญามากมีเป็นสัตว์เป็นสีอริยสัพสมบูรณ์ปัดชิมมาไว้ยามได้พักคนยืนเดินนั้นนอน พลังอ่อนไกลสูนเหมือนไม้ไกลฟังอั น, นิจยังอาดูนยาทั้งตะกูลมาง เ, เหมือนเฮินไกลยาวคุณพระราปรนะนานรังสิน ้าวคุณพระราษฎร์รังสีนำวพวิรยุทธเกรียงไกรแสดงทำไพโรเอสนอง ใหญคุณสุ่มไทยรัฐชื่นชมศรัทธานักเขียนชื่อก้องนักร้องชื่อดังนักการเมืองก็ยังเลื่อมใสเที่ยวนานักบวนยกย่อง th ủ th ủ ทั้งทองดาราต่างน้อมศรัทธาสาธุทุกันทวพเทวาต่าง ก้าวเดินสร้างสมานนฉันให้ชาติสงบหยุดรบ้าฝันอุาสตร์สร้างสรรค์ประชาธิปไตายจ้าวคุณวิรยุทธ์สุดยอดพระสมปฏิบัติสื่อตรงประธรรมวินัยยอดสม กาตา